ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้ยสาภาคที่หเรื่องในปพรานสุนักชื่อโกกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารพในปพรานสุนักชื่อโกกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยอัปปุทธัสสะนรสทุสติ ส, สุทสะโปศสะอนังคณศสะตเมวะพาลังปจเจติปาปังสุขุโมโระโชปฏิวาตังวะขิตโตแปลว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ด, ดุดเนิน บาบย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นตอนนายพรานสำคัญว่าพระพิกษุเป็นคนกาลกันนีได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งนายพรานนั้นถือธนูมีสุนัขห้อมล้อม ออกไปป่าพบพิงสุถือบินทบาดเป็นวัดรูปหนึ่งกําลังเที่ยวบินทบาดในระหว่างทางมีความโกรธแล้วพลางคิดใหร์ว่าเราพบคนกาลกันนีคือกาลกีนีในวันนี้จะไม่ได้สิ่งอะไรเลยหนังนี้ก็เลิกไปฝ่ายพระเถระเที่ยวบินทบาด ในหมู่บ้านทำพัฒกิจเสร็จแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีกฝ่ายในปราณนั้นเที่ยวไปในปา่าไม่ได้อะไรอะไรเมื่อเดินกลับจากปา่าก็มาพบพระเถระนั้นอีกจึงมีความคิดขึ้นว่าก็ในวันนี้เราได้พบคนกาลกันนีนี้แล้วไปปา่าจึงไม่ได้อะไรอะไร บัด น, นี้เธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม่อีกเราจะให้สุนักทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสียดังนี้แล้วจึงให้สัญญาณปล่อยสุนักไปพระเทระอ่ อ, อนมอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนั้นนายปราณจึงพูดว่าวันนี้ข้าพระเจ้าไม่ได้อะไรพระมาประสบท่าน ท่านก็มาประสบฆ่าพระเจ้าแม้อีกข่าพระเจ้าจะให้สุนักกัดท่านหนังนี้แล้วจึงให้สุนักกัดพระเทระจึงรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งสุนักทั้งหลายก็พากันห้อมล้อมต้นไม้นั้นไว้นายโกกัจึงไปในที่นั้นแล้วร้องบอกว่า ท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็จะไม่มีความพ้นไปได้ดังนี้แล้วจึงแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรพระเถระได้แต่อ้อนบอนว่าขอท่านอย่าทำเช่นนั้นนายโกกะนั้นไม่คำหนึ่งถึงคำอ้อนบอนของท่านกลับแทงกระนำใหญ่พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่ง ถูกแทงอยู่จึงยกเท้าข้างนั้นขึ้นยกนงเท้าข้างที่สองลงแม่เมื่อเท้าข้างที่สองนั้นถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเทระแทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เดียวสรีระของพระเทระได้เป็นประดุด รูกลมด้วยคบเพลิงท่านสเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านโฮมแม้หลุดลงก็กำหนดไม่ได้จีวร น, นั้นเมื่อตกลงก็ตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่สีรัะที่เดียวตอนสุนัขรุมกัดนายปรานเราสุนัข ครูกันเข้าไปในระหว่างจีวรด้วยสำคัญว่าพระเถระตกลงมาดังนี้แล้วก็รุมกัดกินเจ้าของของตนทำให้เหลือแต่กระดูกสุนัขทั้งหลายออกมาจากระหว่างจีวรแล้วได้ยืนอยู่นะภายนอกที่นั้นพระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งคว้างสุนัขเหล่านั้น เราสุนักเห็นพระเทระแล้วรู้ว่าบวกตัวกัดกินเจ้าของของตัวเองจึงหนีเข้าป่าตอนพระเทระสงสัยในศีลและสมรภาพของตนพระเทระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุรุษนั่นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราชิบหายแล้วศีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือท่าน จึงลงจากต้นไม้แล้วไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยจีวรของข้าพระองค์ชีหายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแล้วหรือสมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่แล้วหรือ พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเทระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างร้อยสมณะภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประตุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษร้าย ต่อผู้ไม่บระทุสร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันในนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่าตอนบริพกรรมของนายปราดดังได้สดับมาในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อต้องการประกอบเวชกรรม แต่ไม่ได้กรรมอะไรอะไรอันความหิวรบกวนแล้วออกไปพบเด็กๆ เ, เป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงมีความคิดว่าเราจะให้งูกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็จะได้อาหารดังนี้แล้วจึงแสดงงูนอนชูศีรษะในโปรงไม้แห่งหนึ่งและบอกว่าแน่ เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาริกาพวกเจ้าจงจับมันแต่ดใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งจับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมาจึงรู้ว่ามันเป็นงูและได้ร้องขึ้นจึงสลัดไปบนกระม่มของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกลงูรัดก้านคอของหมอกัดยางถนัด ให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองในโกกะพรานสุนักนี้แม้ในการกร่อนก็ประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรามจึงตรัสพระกถานี้ว่า โยอัปทุทหัสสะนรัสะทุสติสุทัสสะโปสัสสะอนังคณนัสะตะเมวะพาลังปเจติปาปังสุขุโมระโชปฏิวาตังวะกิตโตผู้ใดประทุสร้ายต่อนราชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นตอนแก่อัดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอปะทุทัสะคือผู้ไม่ประทุษร้ายหมายความว่าผู้ไม่ประทุษร้ายต่อคนหรือสัพพสัต คำว่านรสะแปลว่านรชนได้แก่สัตว์คำว่าทุสติแปลว่าประทุสร้ายได้แก่ย่อมประพฤติผิดคำว่าสุดทัศะแปลว่าผู้บริสุทธิ์คือผู้ไม่มีความผิดเลยแม้คำว่าโปสัสนี้ก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเองโดยอาการอื่น คำว่าอนังคณนสะแปล ว, ว่าไม่มีกิเลสดุดเนินคือผู้ไม่มีกิเลสคำว่าปะเจติตัดบทเป็นปฏิเอติแปล ว, ว่าย่อมกลับถึงคำว่าปฏิวาตังแปล ว, ว่าทวนลมหมายความว่าทุลีที่ละเอียดอันบรุษผู้หนึ่งสัดไป ด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลมย่อมกลับถึงบุรุษนั่นเองคือตกลงที่เบื้องบนของผู้ซัดไปนั่นเองฉันใดผู้คนใดเมื่อให้การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าย่อมประทุสร้ายต่อบุรุษผู้ไม่ประตุสร้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้หรือในอบายทั้งหลาย มีนรกเป็นต้นในพบหน้าชื่อว่าย่อมกลับถึงบุคคล น, นั่นแหละผู้เป็น่านด้วยสามารถบิบากทุกฉนนั้นเหมือนกันในการจบเทสนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอาราาธผลประธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วนั่นนี่แหละเรื่องในปราณสุนักชื่อโกกะ